สมถะวิปัสนาเกิดช่วงไหนในขณะที่จิตมองดูเห็นว่าร่างกายเน่าเปื่อยผุพังสลายตัวไปความรู้ความเห็นอันนั้นเป็นสมาธิขั้นสมถกรรมฐานแต่เมื่อจิตถอนออกมาแล้วสิ่งรู้เห็นทั้งหลายหายไปจิตมาสัมพันธ์กับร่างกายเมื่อไรเกิดความรู้เป็นภาษาอธิบายซ้าเติมสิ่งที่รู้นั้นอีกทีหนึ่ง ตอนนั้นเรียกว่าเจริญวิปัสนาเพราะฉะนั้นในคำที่บางท่านกล่าวว่าถ้าไม่มีสมาธิก็ไม่มียานไม่มียานก็ไม่มีวิปัสนาคือปัญญาไม่มีวิปัสนาปัญญาก็ไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงเมื่อไม่มีความรู้แจ้งเห็นจริงก็ไม่มีวิมุตตความหลุดพ้นท่านผู้กล่าวอย่างนี้กล่าวถูก แต่ท่านผู้ที่กล่าวว่าสมาธิขั้นสมถะไม่เกิดภูมิรู้อะไรนั้นเป็นการกล่าวผิดเราจะบอกตรงๆว่าท่านเหล่านั้นภาวนาไม่ถึงขั้น